ธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนให้แก่สัตว์โลกมีจํานวนนับไม่ได้เท่าที่นับกันก็คือที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกคือ8ป0 0 0สี่พันพระธรรมขันธ์คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีมากมายแต่ก็มีสาระ มีประเด็นอยู่ประเด็นเดียวเหมือนกับน้ำในหมหาสมุทรถึงแม้จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็มีรสรสเดียวก็คือความเข็มฉันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีมากจนนับไม่ได้ก็ตามแต่ก็ มีประเด็นอยู่ประเด็นเดียวก็คือเรื่องของทุกข์และการดับทุกข์คาสอนทุกบททุกบาทที่ทรงสอนนี้จะทรงสอนเกี่ยวกับทุกข์และวิธีการดับทุกข์ทรงสอนว่าถ้าอยากจะดับความทุกข์ทางใจ ก็ต้องมีมรรคเป็นเครื่องมือมรรคก็คือทางสู่การดับทุกข์ที่มีอยู่แปดประการด้วยกันที่เรียกว่ามรรคแปดมรรคแปดนี้ก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องหรือความเห็นชอบสองสัมมาสังกัปะ ความดำริชอบหรือความดําริที่ถูกต้องสามสามมากรรมโตการกระทําชอบหรือการกระทําที่ถูกต้อง 4. สัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องการพูดที่ชอบห้าสัมมา อาชีวคือการมีอาชีพธรมากินที่ถูกต้องหมีสัมมาวายามุมีความภาคเพียนที่ถูกต้องเจดสัมมาสติมีความระลึกรู้ที่ถูกต้องและ8ดสัมมาสมาธิ มีความตั้งมั่นของจิตใจที่ถูกต้องนี่เรียกว่ามรแปดเป็นทางหรือเป็นเครื่องมือที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกได้ถ้าไม่มีมรแปดก็จะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ใจได้มักแปดนี้เป็นเหมือนอยารักษาโรคของทางร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของทางร่างกายความทุกข์ความเจ็บปวดของร่างกายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บจะไม่หายไปถ้าไม่มียารักษาโรคถ้ามียารักษาโรค โรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปแต่ยารักษาโรคนี้ก็ต้องรับประทานเข้าไปในร่างกายถ้ามียารักษาแต่ไม่รับประทานยาโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายมรแป8ตอนนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้แล้วคือคำสอนที่ สอนให้ปฏิบัติมรรค8นี้มีอยู่แต่ผู้ปฏิบัติไม่น้อมนำเอามาปฏิบัติผู้ที่มีความทุกข์อยากให้ความทุกข์หมดไปไม่นำเอามรรค8มาปฏิบัติความทุกข์ใจก็จะไม่หายไปไม่หมดไปเหมือกับการรักษาโรคทางร่างกาย ถ้าไม่รับประทานยาโายครคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายไปความทุกข์ใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทั้งหลายก็จะไม่มีวันหายไปได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติมรรคแปดไม่เจริญมรรคแปดไม่สร้างมรรคแปดขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างมรรคแปดกัน ด้วยการศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติต้องมีทั้งการศึกษาและการปฏิบัติถึงจะสร้างมรรคแปดขึ้นมาได้เหมือนกับการสร้างบ้านก็ต้องมีการศึกษาแผนของการสร้างบ้านก่อนว่าจะสร้างกี่ชั้น จะมีความกว้างมีความยาวมากน้อยเพียงไรจะใช้วัสดุก่อสร้างชนิดไหนบ้างต้องศึกษาก่อนเมื่อศึกษาเห็นรูปแบบของบ้านที่จะสร้างแล้วรู้แล้วว่าจะต้องใช้วัสดุชนิดไหนบ้างขั้นต่อไปก็ต้องดำเนินการก็คือไปซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ มาประกอบสร้างบ้านขึ้นมาตามแผนที่ได้วางไว้ที่ได้ศึกษาไว้มรแปดก็เป็นเหมือนกับการสร้างเรือนใจสร้างบ้านที่อยู่อาศัยของใจตอนนี้ใจของพวกเราไม่มีบ้านอยู่อาศัยเราจึงต้องตะเลตะรอนหาบ้านนั้นบ้านนี้ไปเรื่อย บ้านแต่ละหลังที่เราสร้างก็เป็นบ้านที่ไม่ทนทานไม่ท้าวรสร้างมาได้ไม่นานก็พังไปแล้วก็ต้องสร้างใหม่ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆก็คือร่างกายของพวกเรานี้หรือพบชาติของพวกเรานี้เป็นเหมือนบ้านที่พวกเราสร้างกันสร้างแล้ว อยู่ได้ไม่นานมันก็หมดสภาพไปเช่นสร้างร่างกายขึ้นมาร่างกายก็อยู่ได้ไประยะหนึ่งหลังจากนั้น้ร่างกายก็ต้องหมดสภาพไปไปเกิดเป็นเทพไปเกิดเป็นพรหมก็เหมือนกันเป็นพรหมได้เสียระยะหนึ่งก็เสื่อมสภาพไป เป็นเทพศักระยะหนึ่งก็เสื่อมสภาพไปแล้วก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็เสื่อมไปแก่เจ็บตายไปเพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีสร้างบ้านที่จะทนทานสร้างบ้านที่จะถาวรที่จะเป็นบ้านถาวรได้ จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราสร้างมรรคแปดกันสร้างบ้านของเราด้วยมรรคแปดกันเพราะว่าถ้าเราสร้างมรรคแปดขึ้นมาได้เราก็จะสร้างบ้านที่ถาวรได้คือพระนิพพาน นั่นเองนี่คืองานที่พระเจ้าได้ส่งมอบหมายให้กับพวกเราให้พวกเราจเจริญมรรคกันให้มากสร้างมาสร้างมรรคกันให้สมบูรณ์ถ้ามีมรรคแปดที่สมบูรณ์แล้วก็จะมีบ้านที่สมบูรณ์ถาวรที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไป ดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจศึกษากับมรรคแกับวิธีการสร้างมรรคแดกันให้มากขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้มาศึกษาและมาปฏิบัติมาสร้างมรรคแปกันเพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์นี้จะไม่มีความสามารถพอที่จะ สร้างมรรคแปดนี้ขึ้นมาได้ถ้าเป็นเดรัจฉานก็จะไม่เข้าใจภาษาของมนุษย์ไม่เข้าใจภาษาคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงแม้จะมีพระพุทธศาสนาแต่ก็จะไม่มีความสามารถที่จะเข้าถึงพระธรรมคําสอนได้ต้องเป็นมนุษย์ที่ สามารถที่จะศึกษามีความเข้าใจคําสอนของพระพุทธศาสนาได้พวกเราเป็นมนุษย์และพวกเราก็ได้มีโอกาสที่ได้มาสัมผัส ร, รับรู้กับคําสอนของพระพุทธศาสนาแล้วเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันดีนี้ให้หลุดมือไป ควจะจะควรจะตักตวงโอกาสนี้ให้ได้อย่างเต็มที่ด้วยการทุ่มเทชีวิตจิตใจของพวกเราให้กับการศึกษามากแปดให้กับการปฏิบัติมากแปดเพราะผลที่เราจะได้รับนี้ก็คือบ้านที่ถาวรเราไม่ต้องไปย้ายบ้านอยู่เรื่อยๆเหมือนอย่างที่เรา กำลังทำกันอยู่ในขณะนี้ถ้าเรายังไม่สามารถสร้างบ้านที่ถาวรได้หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเราก็ต้องไปหาร่างกายใหม่ไปสร้างร่างกายใหม่ต่อแล้วก็พอร่างกายใหม่แก่เจ็บตายไปก็ต้องไปสร้างร่างกายใหม่อยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญต่อการสร้างมัรคแปดถ้าเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างมัรคแปดในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในขณะนี้เราจะสามารถสร้างบ้านทิฏฐาวอรให้เสร็จได้ในเวลาอันไม่ไม่นานจนเกินไปคือสามารถสร้าง บ้านที่ถาวรได้ในวกนี้ชาตินี้เลยเพราะมีผู้ที่สามารถทำกันได้มาแล้วมีเป็นจานวนมากนั่นก็คือพระอาหารหันตสาวุกทั้งหลายนั่นเองท่านเหล่านี้พอได้ยินได้ฟังได้ศึกษามรักแปดก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติกันสร้างมรักแปดกันอย่างอย่างขมักขมัน ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างมรแปดท่านจึงสามารถาสร้างบ้านที่ถาวรคือพระนิพพานได้ภายในชาตินี้พวกเราก็สามารถที่จะสร้างมรแปดนี้สร้างบ้านที่ถาวรนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะท่านตอนนั้นกับเราก็ไม่มีความแตกต่างกันท่านก็เป็นมนุษย์มนุษย์ปุถุชนธรรมดา ตอนที่ยังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาพอได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วก็มีศรัทธาความเชื่อมีความเลื่อมใสที่จะปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามแล้วผลก็คือบ้านที่ถาวรคือพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาพวกเราก็เช่นเดียวกัน ถ้ามีศรัทธามีความเลื่อมใสในการที่จะปฏิบัติมีการสร้างมรรคแปดขึ้นมาเราก็จะสามารถได้บ้านที่ถาวรคือพระนิพพานได้ในชาตินี้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงต้องมาสร้างมรรคแปดกันมรรคข้อที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องก็คือเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทรงรู้ทรงเห็นนั่นเองเรายังมีความเห็นที่ไม่ถูกต้องเรายังไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเราจึงต้องน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราเพื่อให้เรา ได้จะได้มีความเห็นเช่นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นอสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรารู้ให้เราเห็นก็คือนรกสวรรค์มีจริงเอผลของนรกเอบาปมีจริงบุญมีจริงเอผลของบาปคือนรกก็มีจริง ผลของบุญคือสวรรค์ก็มีจริงตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ก็เป็นความจริงการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นความจริงและการยุติการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นความจริงเหมือนกันนี่คือสิ่งแรกที่เราต้องมี ความเห็นในแนวนี้ให้ได้ถ้าเรายังไม่เห็นเองเราก็ต้องเชื่อความเห็นของผู้ที่เห็นแล้วเช่นพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าทำบาปแล้วจะต้องไปนรกเราก็ต้องเชื่อทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์เราก็จะต้องเชื่อตายแล้วจะไปเกิดใหม่เราก็ต้องเชื่อ ถ้าอยากที่จะไม่ไปเกิดใหม่หลังจากที่ตายแล้วก็ต้องสร้างมรรคแปดขึ้นมาให้ได้เพราะถ้ามีมรรคแปดแล้วก็จะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานได้นี่คือสัมมาทิฏฐิที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาในใจ ในเบื้องต้นก็สร้างด้วยการอาศัยศรัทธาความเชื่อพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนที่ปิดตาอยู่มีผ้ามัดปิดตาพวกเราอยู่ทําให้เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนคนที่ไม่มีผ้าปิดตาเห็นได้เพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนคนที่ถอดผ้าปิดตาออกแล้วลืมตาขึ้นมา สามารถเห็นสิ่งต่างต่างรอบตัวของพระพุทธเจ้าได้พวกเรานี้ยังไม่ได้เอาผ้าปิดตาออกเราจึงมองไม่เห็นสิ่งต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเราจึงต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางคือต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพเจ้าทรงห้ามไม่ให้ทำบาปทรงให้ ทำบุญส่งให้เราส่งให้กำจัดความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้านี่คือการสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาสร้างด้วยการฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆ แล้วคำสอนเหล่านี้ก็จะค่อยๆฝังตัวเข้าไปในความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วต่อมาเราก็จะได้มีสัมมาสังกัปปคือมรรคขั้นที่สองคือความคิดที่ถูกต้องถ้าเรามีความเห็นที่ถูกต้องว่าบาปมีจริงบุญมีจริง นรกสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงการยุติของการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเราก็จะคิดไปในการไม่ทำบาปเพราะเราไม่อยากจะไปนรกกันเราก็จะคิดที่จะทำบุญเราก็จะไปสวรรค์เพื่อเพราะเราอยากจะไปสวรรค์กันไม่มีใครอยากจะไปนรกกันแล้วเราก็จะ <c oughs> หยุดความอยากด้วยการปฏิบัติมรรคแปดเพราะถ้าเรามีมรรคแปดเราก็จะมีเครื่องมือที่จะหยุดความอยากพอเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือสัมมาสังกประความคิดที่ถูกต้องขอให้เราคิดแบบนี้คิดทาบุญคิดละบา คิดกำจัดความอยากต่างๆด้วยการเจริญมากแปดเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิพอเรามีสัมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องแล้วเราก็จะสั่งให้ร่างกาย การทำในสิ่งที่ถูกต้องก็คือเราจะมีสัมมาคมันโตก็คือจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีนี่คือองค์ประกอบของสัมมาคมันโตคือจะละจากการกระทําบาปทางกายแล้วก็จะละการกระทําบาปทางวาจา ก็คือจะละเว้นจากการพูดบทดมดเท็ดพูดเพ้อเจอ้อพูดส่อเสียดพูดคำหยาบ <c oughs> นี่เรียกว่าสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสัมมากรรมโตการกระทําที่ถูกต้องก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเรียกว่าสัมมากรรมโตถ้าเรามีสัมมาสังกปะ ความคิดที่ถูกต้องเราก็จะคิดไปในทางนี้คิดไปในการไม่ทำบาปคิดในการไม่พูดบาปแล้วเราก็จะคิดไปในทางที่จะทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุดเจริญที่เรียกว่าสา ม, มาชีพสา ม, มาชีพก็คืออาชีพที่ไม่เกี่ยวกับการฆ่าไม่เกี่ยวกับการจหนาย สินค้าที่จะเอาไปใช้ในการฆ่าผู้อื่นทำร้ายผู้อื่นเช่นสัตว์ปรวุธทั้งหลายยาพิษทั้งหลายจะไม่ทำมาหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นไม่เอาเขามาฆ่าเช่นฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายอาชีพด่านี้จะไม่กระทำสำหรับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิสัมมา สังกัปปะจะละเวน้นอาชีพที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตของผู้อื่นอาชีพที่ไม่ไปทำลายไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนของผู้อื่นก็มีอยู่เยอะแยะที่เราสามารถทำได้เช่นอาชีพรักษาพยาบาลอาชีพครูสั่งสอน อาชีพการเงินการทองการธนาคารการค้าขายอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตหรือความเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกต้องสัมมาชีพแล้วก็จะมีสัมมาวายโมคือจะมีความขยันหมั่นเพียรในการทําบุญ ขยันหมั่นเพียรในการละการกระทำบาปขยันหมั่นเพียรในการตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเจริญสัมมาสติเพราะว่าสัมมาสติและสัมมาสมาธิจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้สามารถทำลายความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้สมาสติก็คือการให้มีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวเพื่อระงับความคิดตรงแต่งต่างๆเพื่อระงับการลอยไปลอยมาของใจให้ใจนี้มีเป็นสมาสมาธิก็คือให้ตั้งอยู่ในปัจจุบัน ถ้าใจยังไปอดีตไปอนาคตอยู่ใจจะไม่ตั้งมั่นจะไม่เป็นสมาธิใจจะลอยไปลอยมาเพราะไม่มีสติคอยดึงเอาไว้เราจึงต้องใช้สติคอยดึงใจให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือให้อยู่กับการเฝ้าดูร่างกายดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าร่างกายกําลังทําอะไรใจก็ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายเพียงอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอื่นในขณะที่ร่างกายกําลังเคลื่อนไหวกําลังทําอะไรอยู่เช่นกําลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินให้อยู่กับการก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาไปเวลาเดินก้าวเท้าซ้ายก็บริกรรมซ้ายไป เวลาก้าวเท้าขวาก็บริกรรมขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อที่จะได้ดึมใจเอาไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใจจะได้อยู่ในปัจจุบันเพราะถ้าใจตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่ามีสมมาสมาธิใจจะสงบ ใจจะสงบได้ใจต้องอยู่ในปัจจุบันใจจะสงบได้ร่างกายกับวาจาก็ต้องสงบด้วยคือต้องนั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็กําหนดดูลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์หรือจะบริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ก็ได้ถ้า สามารถเกาะติดอยู่กับอารมณ์ที่ได้กําหนดไว้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าใจไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวใจก็จะเข้าสู่ความสงบ ได้เข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาได้ถ้าเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความว่างเข้าสู่อุเบกขาสัตว์แต่เรารู้ได้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธินี่เรียกว่าเป็นการเจริญมากรอบแรกพอมีสัมมาสมาธิแล้วทีนี้ก็สามารถที่จะสร้างสัมมา ส ม, มาธิเตให้เกิดขึ้นได้เพราะผู้ที่มีสมาธิแล้วจะเห็นบุญเห็นบาปจะเห็นนรกกับเห็นสวรรค์ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้คอยบอกตอนตอน้นตอนที่เรายังไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิเราจะมองไม่เห็นเพราะเหมือนกับว่าเรามีผ้าปิดตาเราอยู่ แต่พอเราได้เจริญสัมมาสติได้เจริญสัมมาส ม, มาธิแล้วใจของเราก็จะเปิดกว้างขึ้นมาสัตวแต่ลารู้ขึ้นมารู้การเคลื่อนไหวของการกระทำของใจรู้ว่ากระทำแบบนี้แล้วทำให้ใจร้อนเป็นไฟขึ้นมารู้ว่าการกระทำแบบนี้แล้วทำให้ใจเย็นสบายนี่ก็คือ รู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์รู้ที่ใจนี้เองรู้ที่ใจที่มีสัมมาสมาธิพอรู้อย่างนี้แล้วย่อมจะมีสัมมาทิฏฐิคือทีนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องของตนเองไม่ได้เป็นความเห็นที่เชื่อจากพระพุทธเจ้ามาตอนแรกตอนที่ยังไม่มีสัมมาสติยังไม่ได้ปฏิบัติธรรม ยังไม่มีสัมมาสมาธิเวลาพระพุทธเจ้าสอนว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงก็ได้แต่เชื่อเพราะยังแต่ยังไม่รู้จริงว่านารกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรบาปเป็นอย่างไรบุญเป็นอย่างไรแต่พอจิตได้สัมมาสมาธิแล้วจิตก็จะเห็นขึ้นมา ท, ทันทีเวลาจิตคิดไปในการทาบาปใจก็จะร้อนขึ้นมาทันที เวลาจิตคิดไปในทางทำบุญจิตก็จะเย็นขึ้นมาทันทีก็จะรู้เลยทันทีว่าอ๋อนี่คือบุญนี่คือบาปนี่คือนรกนี่คือสวรรค์อีนนี้เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมมีสัมมาทิฏฐิของตนเองอย่างแท้จริงตอนต้นก็อาศัยสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางไปก่อนเป็นผู้ลากจิตของเราไปก่อน ลากไปสู่สัมมาสังกัปปความคิดที่ถูกต้องลากไปสู่การกระทาที่ถูกต้องลากไปสู่การพูดที่ถูกต้องลากไปสู่อาชีพที่ถูกต้องแล้วก็ลากไปสู่ความเพียรที่ถูกต้องก็คือการเจริญสติพอเจริญสติได้อย่างถูกต้องก็จะได้สัมมาสมาธิได้อุเบกขาได้ความสงบ ได้ความว่างของจิตได้เห็นตัวรู้ได้เห็นตัวที่เป็นตัวที่สร้างบุญตัวที่สร้างบาปขึ้นมาได้เห็นผลของบุญและบาปที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในใจนี้ทั้งหมดเนี่ยผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็จะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนั้น เห็นชัดๆอยู่ภายในใจของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยที่เรียกว่าสันทิติโกอากาวิโกก็คือถึงแม้พระพุทธเจ้าจะตัดคำสอนนี้มาอยู่ถึง 2,500 กว่าปีแล้วกว็าตามแต่คำสอนนี้เป็นความจริงตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมตามกาลตามเวลาทรงตัดว่าเป็นอย่างนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้เช่นเดียวกันเพราะเห็นอยู่ภายในใจนี้เองต้องเห็นด้วยสัมมาสติเห็นด้วยสัมมาสมาธิพราะเห็นแล้วทีนี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงไม่ต้องไปประเทศอินเดียเพื่อไปพิสูจน์เพราะไปก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าอยู่ดี ไปก็จะเจอแต่ซากเปล่าหักพังของสถานที่ที่เขาอ้างว่าเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าจะจริงหรือไม่จริงคนไปดูก็ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่ถ้าพิสูจน์ด้วยการเจริญมัคนี้ด้วยการเจริญสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมา ส, ส, ม, ม, าสมาธินี้ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไป แล้วก็จะมีมัสมีแสงสว่างมีสัมมาทิฏฐินำทางไปสู่การหลุดพ้นจากพจากการเวียนว่ายตายเกิดนำทางไปสู่พระนิพพานได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเป็นผู้นำทางอีกต่อไปผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นขั้นแรกก็ตามแต่ก็จะ เห็นไปตามลำดับต่อไปถ้าตามใดที่ยังมีชีวิตอยู่และดำเนินทางนี้อยู่ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้นําทางอีกต่อไปแต่ถ้ามีผู้ที่นําทางไปก็จะทําให้การเดินทางนี้ง่ายขึ้นและรวดเร็วขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลามา คอยพิสูจน์เพราะเวลาไปถึงทางแยกบางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือตรงไปก็อาจจะเสียเวลาพิสูจน์ดูกว่าจะได้พบกว่าจะได้รู้ว่าทางที่ถูกต้องนั้นเป็นทางไหนก็จะช้าหน่อยถ้าไม่มีผู้ที่ผ่านมาแล้วเป็นผู้พาไป แต่ถ้ามีผู้ที่ผ่านมาแล้วเวลาไปถึงทางแยกก็เพียงแต่ถามหรือบอกถามผู้ที่รู้ท่านก็จะบอกว่าให้ไปทางไหนแต่เราก็ต้องปฏิบัติของเราไปจนกว่าเราจะถึงจุดที่เราต้องลังเลสงสัยไม่มั่นใจเราก็จะได้รับประโยชน์จากการที่มีผู้ที่ได้เดินทาง ผ่านมาแล้วเขาจะบอกเราได้อย่างถูกต้องแม่นยำเราไม่ต้องเสียเวลามาทดลองทางซ้ายทางขวาทางตรงว่าทางไหนเป็นทางที่ถูกนี่คือเรื่องของการเจริญมรรคแปดที่ให้เริ่มที่สัมมาทิฏฐิก็เพราะว่าเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนเหมือนกับต้องมีแผนที่ ที่ถูกต้องก่อนก่อนที่เราจะออกเดินทางได้ถ้าเราไม่มีแผนที่ที่ถูกต้องเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไปทิศทางไหนถึงจะไปไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้เรามีผู้ที่เดินทางไปถึงจุดหมายที่เราต้องการไปแล้วคือพระพุทธเจ้าเราก็อาศัยสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้า โดยการเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้กับพวกเรานี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นทางที่จะทําพาให้เราได้ไปสู่ทางหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็ต้องศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดสัมมาทิฏฐินี้ ดังในอนิสงของการฟังเทศฟังธรรมนี้มีอยู่ห้าประการด้วยกันหนึ่งในห้านั้นก็คือการมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้าฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆก็จะได้ความเห็นที่ถูกต้องพอได้เห็นความเห็นที่ถูกต้องแล้วความคิดที่ถูกต้องก็จะตามมา แต่ว่าตอนนี้เรามีความเห็นอย่างหนึ่งเช่นคนที่เขาเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ความคิดของเขาก็จะคิดไปในทางที่ว่ า, วาไม่ทำบุญก็ได้ทำบาปก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำไปแล้วก็ไม่มีผลตามมาจะทำบาปก็ได้จะทาบุญก็ได้ เขาก็จะคิดอย่างนี้กันแต่ถ้าคนที่มีสัมมาทิฏฐิที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าก็จะคิดไปอีกแบบหนึ่งก็จะไปคิดว่าถ้านารกมีจริงถ้านารกเป็นผลของบาปเราก็จะทําบาปไปทําไมทําแล้วเราก็ต้องไปนรกมีใครอยากจะไปนรกบ้างนรกก็คือสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์นั่นเอง ถึงแม้เราไม่เคยไปเพียงแต่บอกว่าคําว่าทุกคําเดียวก็ไม่มีใครอยากจะไปนะเหมือนกับคนที่ก็บอกว่าน้ําที่เราจะเดือดกันนี่มันมีสารพิษมันมียาพิษอยู่กินเข้าไปแล้วจะตายก็จะไม่มีใครกล้าแต่ฉนันใดก็ฉันนั้นเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเราเลยต้องเข้าหาผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ฝาก ฝากเป็นฝากตายไว้กับผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องนี้มีสัมมาทิฏฐินี้ก็คือเราต้องฝากเป็นฝากตายไว้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่ออย่างไม่ไ ม, ไม่ไม่ลังเลสงสัยถึงแม้ว่าจะยังมองไม่เห็นก็ตามแต่การเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ไม่มีอะไรที่เสียหายแต่อย่างใด ก็มีผู้ที่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากันจำนวนมากแล้วที่มีแต่ได้รับประโยชน์ไม่ได้รับโทษไม่ได้รับการเสียหายแต่อย่างใดดังนั้นถ้าจะให้เชื่ออะไรก็ขอให้เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่ถูกหลอกอย่างแน่นอนพอเราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้คิด ได้พูดได้ทำตามที่พระพุทธเจ้าวระธรรมประสงสอนให้เราคิดสอนให้เราพูดสอนให้เราทำเราก็จะมีสัมมาสังกปะความคิดที่ถูกต้องสัมมากัมมันโตการกระทำที่ถูกต้องสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็คือคิดไม่ทำบาปคิดทำบุญคิดตัดติคิเลตตัณหา ให้หมดไปจากใจด้วยการปฏิบัติธรรมกันสามากัมมันโตก็จะไม่กระทําบาปด้วยการไม่ฆ่าด้วยการไม่ลักทรัพย์ด้วยการไม่ประพฤติผิดประเวณีสามาวาวาจะก็คือจะไม่พูดป่นจะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคําำยาไม่พูดส่อเสียเพราะการจะพูดเหล่านี้ พูดไปแล้วจะมีแต่ความเสียหายหรือไม่มีประโยชน์เกิดขึ้นเช่นพูดเพ้อเจ้ออย่างนี้พูดไปแล้วก็เสียเวลาเสียน้ำลายไปเปล่าพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะพูดให้พูดในสิ่งที่มีสาระก็คือให้พูดเรื่องธรรมะให้สนทนาธรรมกันการสนทนาธรรมกันนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง แต่การพูดนินทาการเลพูดเพอ้อเจอ้า น, นี้ไม่เป็นมงคลแต่อย่างไรเป็นโทษต้องละเว้นเป็นการพูดที่ไม่ถูกต้องนั่นเองอาชีพก็เช่นกันอาชีพก็จะเป็นอาชีพที่ไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็ความเพียรก็จะเพียรเพียรแต่การทำบุญ เพลนละบาปเพลนกรรมจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจด้วยการเพียนเจริญสติให้มากๆสร้างสติขึ้นมาให้มากๆจนใจตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเป็นสมาสมาธิพอใจเป็นสมาสมาธิใจสงบใจก็จะเห็นความจริงที่มีอยู่ภายในใจ เวลาใจคิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางบาปใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครสอนว่านี่คือบาปรู้ทันทีไม่ต้องมีใครบอกว่านี่คือเนรกรู้ทันทีเวลาใจสงบนิ้เย็นสบายแต่พอคิดไปในทางบาปปั๊บมันร้อนขึ้นมาทันทีคิดไปการฆ่าเบียดเบียนผู้อื่นไปฆ่าไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตัวเองนี้ ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีเวลาคิดไปทําบุญคิดไปช่วยเหลือผู้อื่นให้ความสุขแก่ผู้อื่นใจก็เกิดความสุขขึ้นมาทันทีก็รู้ว่านี่แหละคือสวรรค์รู้ว่านี่แหละคือบุญไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกถ้าลองจิตมีสัมมาสมาธิแล้วเรื่องของปัญญานี้มันจะเห็นได้ชัดขึ้นมาทันที นี่คือเรื่องของการเจริญมรรคแ8ที่พวกเราควรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจสิ่งแรกที่เราต้องทำถ้าเรายังไม่มีสัมมาทิฏฐิก็คือต้องศึกษาฟังเทศฟังธรรมให้มากๆสมัยนี้พวกเรามีบุญมีวาสนาสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ตลอด24ชั่วโมง ไม่เหมือนสมัยพระพุทธการที่ไม่มีสื่ออย่างที่มีกันอยู่ในสมัยนี้สมัยพระพุทธการคนส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถอ่านไม่มีภาษาไม่ไม่มีหนังสือที่จะอ่านกันเพราะอ่านออกไม่มีการเผยแพร่ในการศึกษาอย่างกว้างขวางเหมือนสมัยนี้คนที่อ่านหนังสือเขียนหนังสือได้นี้มีน้อยมาก สมัยก่อนเขาเลยต้องอาศัยการศึกษาพระธรรมคำสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมและการที่จะมีเวลาฟังเทศฟังธรรมก็ต้องรอวันพระนั้นเพราะวันอื่นก็ต้องออกไปทำมาหากินเป็นชาวไร่ชาวนาก็ต้องไปทายทำไร่ทายนาไปเพาะไปปลูกไปไ ป, ไปเก็บไปเกี่ยวก็จะไม่มีเวลามากก็รอให้ถึงวันพระก่อน พอถึงวันพระ ก, ก็ไปวัดกันไปทําบุญไปละบาปแล้วก็ไปฟังเทศน์ฟังธรรมกันเพื่อเสริมสัมมาทิฏฐิปัญญาบารมีให้มีความรู้ความเข้าใจกว้างขึ้นไปถ้าฟังบ่อยๆต่อไปก็จะเกิดศรัทธาที่จะรักษาศีลสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิโรก็จะตามมาแล้วรักษาศีลไปได้ก็ อ, อยากจะเกิด อยากที่จะเจริญอยากจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็จะอยู่วัดถือศีลแปดซือศีลอุโบสถเพื่อที่จะได้เจริญสติเจริญสัมมาสมาธิพอได้เจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิก็จะได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาที่เป็นของ ของแท้ของจริงที่มีอยู่ในใจของตอนเองในเบื้องต้นก็ได้สมาทิฏฐิเทียมไปก่อนก็คือที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมแต่ยังไม่เห็นตัวจริงเห็นแต่ลายชื่อของบุญของบาปเห็นรายชื่อของผลของบุญของบาปคือนรกและสวรรค์แต่ยังไม่เห็นตัวจริงจะมาเห็นตัวจริงก็ตอนที่ได้สัมาสมาธิแล้วนี่ พอจิตสงบแล้วทีนี้เวลาคิดไปทางบาปมันก็จะร้อนขึ้นมาคิดไปในทางบุญมันก็จะเย็นมันก็จะรู้ทันทีว่าความคิดแบบไหนการกระทำแบบไหนทำให้เกิดความเย็นเกิดความร้อนใจขึ้นมาก็รู้ว่านี่แหละคือบุญและบาปนี่สมัยนี้เราสามารถฟังเทศฟังธรรมได้ทั้งวันเพราะเรามีสื่อมีภาษาเราอ่านออกเขียนได้ เราจึงควรที่จะฟังเทศบ่อยๆแล้วก็อ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆจนเราเข้าใจแล้วว่าเราต้องทำอะไรพอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็เริ่มปฏิบัติไปตอนต้นอ่านหนังสือฟังเทศมากแต่พอปฏิบัติแล้วการอ่านการฟังก็จะน้อยลงไป กพราะเราจะต้องทุ่มเทให้กับการปฏิบัติเพราะว่าการอ่านการฟังนี้ยังไม่สามารถทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงได้ต้องเกิดจากการปฏิบัติสัมมาสติสัมมาสามาธิพอเราอยู่ในช่วงเจริญสัมมาสติสัมมาสามาธิตอนนั้นเราก็ลดการอ่านการฟังให้น้อยลงไปได้แล้วจะมาอ่านมาฟังก็ อาจจะวันละชั่วโมงสองชั่วโมงวันละทั้งสองครั้งในเวลาที่ไม่ได้เจริญสติคือไม่ได้ปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิก็มาพักอ่านหนังสือธรรมะหรือฟังธรรมะบ้างก็ได้สลับกันไปแต่ไม่ต้องศึกษาแบบทั้งวันเหมือนกับสมัยแรกๆสมัยที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ พอออกปฏิบัติแล้วการศึกษาก็ก็ลดน้อยลงไปได้แล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรความสำคัญจึงต้องไปอยู่ที่การปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แล้วเพราะศึกษาไปมากเท่าไหร่ก็จะไม่ก้าวหน้าไปกว่านี้แล้วถ้าอยากจะก้าวหน้าไปกว่านี้ก็ต้องเข้าสู่ขั้นปฏิบัติแล้วเข้าสู่ขั้นปฏิบัติการศึกษาก็น้อยลงไปได้ไม่จาเป็นไม่สาคัญ ก็ดูแล้วว่าสิ่งได้ผลแล้วจากการศึกษานั่นเองจะศึกษามากไปกว่านี้ก็ไม่ได้ผลมากไปกว่านี้อยากจะให้ได้ผลมากไปกว่านี้ทีนี้ต้องอยู่ที่การปฏิบัติแล้วแต่การศึกษาก็ยังสำคัญอยู่เพราะว่าเป็นการทบทวนความเห็นที่ถูกต้องเพราะบางทีปฏิบัติไปไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไปก็อาจจะลืมได้เหมือนกัน ก็ต้องย้อนกลับเข้ามาฟังบ้างเพื่อทบทวนความจำเพื่อให้รักษาความเห็นที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องนำทางพาเราไปสู่ความเห็นที่ถูกต้องที่จะเป็นของเราต่อไปได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติมรรคแปดขั้นต้นก็ศึกษามรรคแปดไปก่อนพอรู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติมรรคแปดอย่างไรขั้นต่อไปเราก็ต้อง ออกปฏิบัติกันส ม, มากรรมันโตส ม, มาวาจาส ม, มาสังกปโปก็ต้องคิดไปในทางทําบุญละบาปกําจัดกิเลสตัณหาการกระทําก็ต้องไม่ทําบาปการพูดก็ต้องไม่พูดบาปแล้วก็ความเพียรก็ต้องเพียรสร้างสติสร้างส ม, มาธิขึ้นมาให้ได้ เพราะสติและสมาธินี้และเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิปรากฏขึ้นมาได้ภายในใจของเราเองก็คือเหมือนกับการถอดผ้าที่ปิดกั้นตาเราไว้นั่นเองสติและสมาธินี้เป็นเหมือนกับเครื่องมือที่จะถอดผ้าที่ปิดตาเราไว้พอเราถอดผ้าที่ปิดตาไว้ได้เราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้สมวลฤกษิ์ในการเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเห็นได้ถ้าทุกคนถอดผ้าที่ปิดตาของตนออกไปผ้าที่ติดตาผ้าที่ปิดใจก็คืออวิชชาโมหะนี่เองอวิชชาคือความไม่รู้จริงโมหะก็คือความหลงความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริง คนที่เห็นว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพันิพาลอย่านงนี้เรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเพราะไม่เอาภาพที่ปิดตาออกนั่นเองแล้วก็ไม่เชื่อคนที่เอาภาปิดตาออกแล้วว่าเขาเห็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่เชื่อเขา เชื่อตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่ตัวเองมองอะไรไม่เห็นก็ยังกล้ายืนยันว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบุญไม่มีบาปไม่มีตายแล้วศูนย์พวกนี้แหละเรียกว่าพวกมิจฉาทิฏฐิถ้าไม่อยากจะมีมิจฉาทิฏฐิก็ต้องเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติเพื่อที่จะได้ถอนเอาผ้าที่ปิดตาออกไป ถอดเอาอาวิชฌาโมหะออกไปถอดเอามิจฉาทิฏฐิออกไปแล้วก็จะเห็นความจริงตามความเป็นจริงทีนี้ก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เพราะจะเห็นด้วยสันทิฏฐิโกนี้เองเห็นด้วยอาการวิโกถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะดับขันธ์พิ น, นิพานไปแล้วถึงสอง0ันกว่าปีก็ตาม ไม่มีรากอะไรหลงเหลืออยู่แล้วก็ตามแต่ผู้ปฏิบัตินี้จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยเพราะเป็นอากาศโกเป็นสันติโกนี่คือเรื่องของการทำหน้าที่ของชาวพุทธคือการศึกษาและการเจริญมรรคแปดที่ไม่มีใครที่จะทำให้เราได้ เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนที่จะต้องทำกันเองเหมือนกับการไปโรงเรียนเรียนหนังสือเพื่อให้ได้รับปริญญาบัตรพ่อแม่ไปโรงเรียนแทนลูกไม่ได้พ่อแม่ต้องเขี้ยวเข็นบังคับลูกให้ไปโรงเรียนเราก็ต้องบังคับใจของเราให้ไปโรงเรียนให้ปล่อยฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆให้อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆพอได้อ่านได้ฟังแล้วก็ต้องบังคับให้ปฏิบัติ ให้เจริญสติให้ได้ให้เจริญสัมมาสมาธิให้ได้ก่อนจะเจริญสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เจริญสัมมาสังกัปปก่อนให้คิดทำบุญคิดละบาปไปก่อนคือไม่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติติดโวินีไม่พูดปดไม่พูดจาไม่พูดคำหยาพูดเพ้อเจอ้าพูดส่อเสียไม่มีอาชีพที่ ทุติจเรศหรือที่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้อื่นแล้วก็ให้เพียพรพยายามสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วก็จะได้เห็นความจริงที่มีอยู่ในใจความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เห็นกันท่านไม่ได้เห็นอะไรนอกภ า, ภายนอกใจเลย การตัดสลุของพระพุทธเจ้าก็คือการเห็นนรกเห็นสวรรค์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำของใจนี้เองใจคิดไปในทางบุญก็เป็นสวรรค์ใจคิดไปทางนรกก็คิดไปในทางบาปก็เป็นนรกขึ้นมาคิดไปในทางละความอยากก็เป็นนิพพานขึ้นมาก็มีเท่านี้ความจริงอยู่ในใจของเราใจของพวกเราทุกคนนี้เหมือนกันหมด มีความจริงอันนี้รออยู่ให้เรามองให้เห็นกันทุกคนเพียงแต่ว่าเราต้องเปิดตารเราให้ได้การเปิดตาก็คือการเจริญสติเจริญสัมมาสติให้จิตตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้ตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็จะเห็นความจริงทั้งหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย ได้รู้ได้เห็นกันไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ที่อื่นเลยรู้ที่ข้างในใจนี้เพียงอย่างเดียวความรู้ภายนอกต่อให้รู้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถที่จะทำให้เรารู้ความจริงภายในใจเราได้อยากจะรู้ความจริงภายในใจและความรู้ที่สำคัญก็คือความรู้ภายในใจนี้ เพราะการรู้ความรู้ภายในใจนี้จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แตความรู้สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แต่กลับจะผูกให้เราตกอยู่ในความทุกข์ยาวนานต่อไปดังนั้นเราจึงไม่ต้องให้ความสำคัญต่อความรู้ทางโลกถ้าเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เรา อันเข้ามาหาความรู้ภายในใจเหล่านี้เพียงอย่างเดียวก็พออย่าไปหลงประเด็นเดี๋ยวคิดว่าต้องไปเรียนอภิธรรมต้องไปหาความรู้อะไรต่างๆมาเสริมการเรียนเหล่านี้ไม่ไม่จำไม่สำคัญสำคัญที่ว่าจะต้องรู้ภายในใจของเราจะรู้ภายในใจของเราได้ก็ต้องปฏิบัติ ถ้าจะศึกษาก็ให้ศึกษาเพียงเรื่องของมรรคแปดเพียงเรื่องเดียวก็พอให้รู้ว่าเราจะสร้างสมาทิฏิสร้างสัมมาสังกปรขึ้นมาได้อย่างไรสร้างสัมมากรรมตววาจาสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาได้อย่างไรให้รู้เท่านี้ก็พอพอเรารู้แล้วเราก็นอาออกไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ เห็นสิ่งที่เราควรจะเห็น응ก็เหอเห็นธรรมะภายในใจของเรานี่เองดังนั้นขอให้พวกเราจงทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญมรรคาีิงานภา ร, รกิจต่างๆอย่างอื่นถ้ายังต้องเป็นจะต้องทําก็ทําเท่าที่จําเป็นถ้าไม่มีความจําเป็นก็อย่าไปทํามันจะดีกว่ามาทํางานอันนี้ที่สําคัญที่จําเป็น ต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายนี้จะดีกว่าเพราะเวลาของเรานี้มีน้อยลงไปเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปผ่านไปเวลาที่เหลือในการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติที่จะสร้างพระนิพพานขึ้นมาภายในใจของเรานี้จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าเราเอาเวลาอันสาคัญนี้ไปทาภารกิจอย่างอื่น เราก็จะไม่ได้มาทําภารกิจสําคัญอันนี้ดังั้นขอให้เราระมัดระวังให้มากถ้าเรายัางมีความจําเป็นจะต้องทําภารกิจอย่างอื่น mm hmm. ก็ควรที่จะกําหนดขอบเขตเอาไว้อย่าให้มันบานปลายไปทําเท่าที่จําเป็นทําให้มันเสร็จเร็ ว, รวอย่างหลวงตานี้เวลาที่จะมีการสร้างกุฏิสร้างอะไร งานภายนอกจิตใจนี้ท่านจะให้ทําแบบรวดเร็วมีกําหนดเวลาไม่ให้ยืดเยื้อถ้าจําเป็นจะต้องสร้างกตุก็ให้สร้างให้เสร็จภายในเดือนสองเดือนเสร็จแล้วก็จบไม่ยืดเยื้อไม่ต่อเนื่องไปต่องานอื่นเอาความจําเป็นเป็นหลักเท่านั้นแล้ว ง, งานก็สิ่งที่จําเป็นก็ให้มันเรียบงา่ายไม่ต้องรู้ราไม่ต้องพิสดารไม่ต้องให้มันเสียเวลามากทําเพื่อให้ได้ประโยชน์ ที่จที่ต้องมีเท่านั้นก็พอขอให้พวกเราจงอย่าหลงทางอย่าหลงประเด็นกันอย่าปล่อยให้ภารกิจการงานอย่างอื่นมาทำลายภารกิจที่สำคัญคือการปฏิบัติการสร้างมรรคแปน่นี้ขอให้เราจดจอ่อมีความแน่วแน่ต่อการสร้างมรรคแปน่นี้เป็นอารมณ์ของเราไปทุกวันทุกเวลา แล้วเราจะได้ทำภารกิจที่สำคัญนี้ให้เสร็จรู้เรื่องไปได้ภายในชาตินี้เลยการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร อ, อยาถาวาริวาหาปุราปาริโปุเรนติสาการัง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 มาเตผวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนสิริสะนิจังวุฒาปจายโนจตารูธรรมวทานติอายุวันโสุขังภาลัง ถ้าท่านใดมีคำถามอยากจะถามก็เชิญขึ้นมาถามข้างบนนี้ก็ได้วันนี้ไม่มีคำถามทางอินเทอร์เนต็ตนะมีครับอื่อเล็กหน่อยครับอาจารย์ถามได้เลย ต่อไปเป็นคําถามจากทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสัพพิชาโตนะครับคําถามจากท่านเมื่อวานนะครับคุณน้ําเต้าหู้นะครับข้อที่หนึ่งคาราวาควรป้องกันและปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้สมาธิความสงบที่ได้มาแล้วเสื่อมไปก็ต้องเจริญเหตุอยู่เรื่อยๆเหตุที่ทำให้มีสมาธิก็คือสติต้องเจริญสติอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่นจนหลับเช่นบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดคิดเท่าที่จําเป็นคิดเกี่ยวกับเรื่องภารกิจการงานที่กําลังทําอยู่พยายามรักษาสติคือดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้ปราศจากความคิดปรุงแต่งหรือให้คิดปรุงแต่งให้น้อยที่สุดเรา สมาธิก็จะคงอยู่ได้เวลานั่งสมาธิใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไม่สามารถควบความคิดควบคุมความคิดได้ปล่อยให้คิดเรื่อยเปืยเวลานั่งสมาธิเวลาจะบริกรรมพุทโธมันก็จะไม่ยอมอยู่กับการบริกรรมพุทโธจะดูลมหายใจมันก็จะไม่ยอมอยู่กับลมหายใจเพราะมันไม่ได้ถูกควบคุมบังคับเอาไว้ ถูกปล่อยให้มันคิดไปเรื่อยเปื่อยพอมานั่งสมาธิเพื่อจะควบคุมไม่ให้มันคิดมันก็จะควบคุมมันไม่ได้เราจึงต้องควบคุมมันไว้ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิควบคุมตลอดเวลาที่เราตื่นเพราะเราสามารถควบคุมได้ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็บริกรรมพุทโธไปถ้าการกระทำของเรานะั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิด เช่นเวลาอาบน้ำแปลงฟันล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารการกระทำเหล่านี้ไม่ต้องใช้ความคิดหรือถ้าใช้ก็ใช้น้อยมากคิดว่าต้องหยิบสบู่ต้องเทน้ำอะไรเท่านั้นเองระยะนั้นเราก็สามารถบริกรรมพุทโธพุทโธไปต่อได้อย่างต่อเนื่อง หรือถ้าเราขี้เกยียจบริกรรมพุโทโธเราจะเฝ้าอยู่กับการกระทําของร่างกายก็ได้เช่นเวลาเทน้ําใส่อาบน้ําดับน้ําใส่ร่างกายก็ให้รู้ว่าเรากําลังดับน้ําใส่ร่างกายเวลาถูสบู่ให้รู้ว่ากำลังถูสบู่ให้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติพอจิตของเราไม่ลอยไปอดีตไม่ลอยไปอนาคตอยู่ในปัจจุบัน จิตก็จะตั้งมั่นจะเป็นสมาธิได้ง่ายพอเรานั่งอยู่เฉยๆดับตาไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวคือการบริกรรมพุโทโธถ้าเราใช้การบริกรรมพุโทโธถ้าเราใช้การดูร่างกายเราก็ดูลมหายใจเข้าออกนั่งดูต่อไปเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ ใจก็จะว่างเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้แล้วก็จะมีอิ่มมีความสุขจะไม่อยากได้อะไรพอเราออกจากสมาธินี้มาเราก็จะได้เอามาเจริญปัญญาได้เพราะเราจะเห็นทันทีเวลาที่เราคิดไปในทางที่ไม่ดีใจของเราจะร้อนขึ้นมาทันทีเวลาที่เราคิดไปในทางที่ดีใจของเราจะเย็นขึ้นมาทันทีเวลาที่เราคิด ไม่อยากไม่ไ ม, ไม่ไม่โลภได้เราก็ยิ่งมีความสุขมีความสงบขึ้นมามากขึ้นไปอันนี้ปัญจาเป็นการเจริญที่ต่อเนื่องออกจากสมาธิมาก็คอยสังเกตดูการกระทาของใจดูความคิดของใจก็จะเห็นว่าใจคิดไปในทางไหนคิดไปในทางบุญก็จะเย็นจะสงบคิดไปในทางบาปก็จะร้อนขึ้นมา คิดไปในทางความอยากความโลภ ก, ก็จะร้อนขึ้นมาอันนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาต่อไปก็จะสามารถที่จะกำจัดความคิดที่ไม่ดีได้กำจัดความโลภความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจรุ่มร้อนขึ้นมาได้พอกำจัดความโลภความอยากได้กำจัดการกระทำที่ไม่ดีได้ใจก็จะเย็นไปตลอด นี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราจเจริญสติอย่างต่อเนื่องพอเราจเจริญสติเราก็จะได้สมาธิพอเราได้สมาธิถ้าเราใช้ปัญญาคอยสังเกตดูการเคลื่อนไหวการทางทางความคิดของใจเราก็จะเห็นเลยว่าความคิดของใจนี้แยกไปสองทางสามทางด้วยกันแยกไปในทางบาปแยกไปในทางบุญแยกไปในทางตัณหาความอยากต่างๆ ก็สามารถที่จะรู้เลยว่าควรจะกำจัดความคิดแบบไหนควรจะรักษาความคิดแบบไหนไว้ต่อไปเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีอยู่แต่ภายในใจของเรามีความคิดที่ดีมีความสงบมีความสุขไปตลอดเวลานี่คือวิธีรักษาจิตของเราต้องรักษาด้วยสติก่อนจนกว่าจะมีสมาธิ แล้วเวลาออกจากสมาธิก็ใช้ปัญญารักษาต่อไปหรือถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ใช้สติรักษาต่อไปก่อนก็ได้กลับออกจากสมาธิมาก็บริกรรมพุโทโธต่อไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายต่อไปจนกว่าเราจะมีเวลาว่างกลับมานั่งสมาธิใหม่แล้วก็เราก็กลับมานั่งใหม่เราก็จะสามารถกลับเข้าสู่สมาธิได้อย่าง ง่ายได้เหมือนกับครั้งแรกที่เราเข้าสมาธิได้ถ้าเราเข้าแล้วออกมาแล้วเราไม่เจริญสติไม่ควบคุมความคิดต่ อ, อไปเวลาจะนั่งสมาธิมันก็จะเข้าไม่ได้อยู่ดีอยงนั้นต้องพยายามรักษาสติจนจนเป็นมหาสติก็คือไม่มีเวลาที่ที่เผลอเลยมีสติอยู่ตลอดเวลา อยู่กับการเคลื่อนไหวกับร่างกายอยู่ในปัจจุบันอยู่กับพุทโธนี่นี่คือเรืย่ยวของการมีสติต่อไปมันจะเป็นธรรมชาติของใจไปสตินี่ถ้าเราจเจริญบ่อยๆก็เหมือนกับการที่เราหัดทําอะไรตอนต้นเราก็ต้องบังคับ <c oughs> เช่นหัดพิมพ์ดีเราก็ต้องคอยบังคับให้กดนิ้วอยู่เรื่อยเรื่อยพอเรากดไปเรื่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกพอมันจําได้มันชํานาญ ต่อไปเราไม่ต้องบังคับเพียงแต่เห็นตัวอักษรหรือเพียงแต่อยากจะพิมพ์อักษรตัวไหนแล้วก็พิมพ์ได้ทันทีเลยสติก็เหมือนกันตอนต้นนี้เราต้องบังคับเพราะว่ามันไม่มันไม่เคยมีสติมันชอบลอยไปลอยมาจิตมันไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่ในปัจจุบันเพราะไม่มีใครสอนให้มันอยู่ในปัจจุบันพอเรามาสอนตอนต้นก็เป็นเหมือนกับการที่จะต้องชักกระเยอะกัน คือความถนัดเดิมที่ชอบคิดไปทางอดีต ท, ทางอนาคตมันก็จะพยายามดึงจิตไปทางอดีต ท, ทางอนาคตทางเรื่องนั้นทางเรื่องนี้เราก็ต้องพยายามดึงมันเข้าหาพุทโธให้ได้ดึงเข้ามาหาที่ร่างกายการกระทำของร่างกายให้ได้ตอนต้นก็อาจจะแพ้มันบ้างชนะมันบ้างก็ไม่เป็นไรก็ต้องน้มลุกคุกคานไปเรื่อยๆอย่างนี้ไปก่อนแล้วต่อไป เราก็จะมีกำลังมากขึ้นที่จะดึงจิต้อให้อยู่กับพุโทโธได้มากขึ้นดิงจิตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทําของร่างกายได้มากขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่กับงานที่เรามอบหมายให้จิตทำถ้าให้บริการพุโทโธมันก็จะพุโทโธของมันไปเรื่อยๆถ้าให้เฝ้าดูการกระทําของเรื่องร่างกายมันก็จะเฝ้าดูการกระทาของร่างกายกากาไปเรื่อยๆ พอเวลานั่งสมาธิให้มันสงบมันก็จะสงบได้อย่างรวดเร็วดังนั้นขอให้เราอย่าท้อแท้ในเรื่องของการเจริญสติขอให้พยายามทำให้มากๆเราเป็นเหมือนเด็กที่ยังคลานอยู่ยังยืนไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดถึงเรื่องเดินเรื่องวิ่งเลยตอนนี้ขอให้คิดถึงเรื่องยืนให้ได้ก่อนอก็เหมือนกับคนที่ไม่พวกเราตอนนี้ไม่มีสติตอนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ขอให้คิดอยู่แตเรื่องสติเพียงอย่างเดียวสร้างสติขึ้นมาหัดยืนให้ได้ก่อนพอยืนได้แล้วทีนี้ค่อยมาหัดเดินพอเดินได้แล้วค่อยมาหัดวิ่งนี่ก็เหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีสติก็ขอให้สร้างสติขึ้นมาให้ได้ก่อนพอมีสติแล้วทีนี้ก็รักษาสมาธิไว้ให้ได้พอรักษาสมาธิได้แล้วทีนี้ก็มาเจริญปัญญาได้มาดู เรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเรามาแยกแยะส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีแยกออกจากกันส่วนที่ดีก็รักษาเอาไว้ส่วนที่ไม่ดีก็ทำลายมันไปแล้วต่อไปในใจของเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดีให้ความสุขกับเราให้ประโยชน์กับเราเพียงอย่างเดียวจะไม่มีสิ่งที่ไม่ดีที่สร้างความทุกข์สร้างความปนป่วนสร้างความเครียดสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราหลงเหลืออยู่เลย นี่เป็นสิ่งที่พวกเราทำกันได้ทุกคนแต่ขอให้เราทำตามขั้นตอนอย่าไปอย่าไปกระโดดข้ามขั้นกันเพราะว่ามันจะทำไม่สำเร็จนั่นเองถ้ายังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปทางปัญญาถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องมาทางสติก่อนสร้างสติก่อนมีสติแล้วก็จะมีสมาธิตามมาพอมีสมาธิแล้วค่อยมาสร้างปัญญากัน พอสร้างปัญญาได้ก็จะหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้นี่คือขั้นตอนของการปฏิบัติขอให้เราใจเย็นๆมีคําพูดเดียวว่ากรุงงรมไม่ได้สร้างขึ้นมาภายในวันเดียวฉัในใดพระนิพพานก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวเกิดขึ้นจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องจนสามารถเข้าสมาธิได้อย่าง ง่ายดายและรวดเร็วทุกเวลาที่ต้องการจะเข้าแล้วพอออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญาสังเกตดูแยกแยะดูว่าอะไรอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษทั้งหมดนี้มันมีอยู่ภายในใจของเราถ้ามองด้วยปัญญาก็จะเห็นพอเห็นแล้วก็จะสามารถแยกแยะ แ, และกาจัดสิ่งที่เป็นโทษได้ ก็จะมีเหลือแต่สิ่งที่เป็นคุณเพียงอย่างเดียวอยู่ภายในใจมีข้อที่สองไหมข้อที่สองนะครับขอคำแนะนำที่จะทำให้สมาธิความสงบขยอบขึ้นมากกว่าเดิมก็ต้องนั่งบ่อยขึ้นสมมติถ้าเรานั่งวันละครั้งก็เพิ่มเป็นสามครั้งสี่ครั้งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถ น, นั่ง ได้เกือบทั้งวันสลับกับการเดินถ้าเราเมื่อยเราก็ลุกขึ้นมาเดินเพื่อผ่อนายยุดเส้นยืดสายขณะที่เดินก็ให้เจริญสติไปเรื่อยๆพอเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งแล้วก็เข้าไปในสมาธิสมาธิมันก็จะเข้าไปลึกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้นไปเรื่อยๆจนเราสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ถ้าเราค่อยมาจเจริญทางปัญญาต่อไปถ้าอยากจะได้มากก็ต้องลงทุนมากเหมือนอยากจะได้ดอกเบี้ยมากก็ต้องฝากมากฝากร้อยมันก็ได้ดอกเบี้ยแค่บาทสองบาทถ้าฝากพันก็ได้สิบยี่สิบบาทฝากหมื่นก็จะได้ร้อยสองร้อบาทต้องลงทุนถ้าอยากได้มากก็ต้องลงทุนมากถึงจะได้ผลมากถ้าลงทุนนิดเดียว แล้วอยากจะได้มากๆก็ต้องไปแทงลอตเตอรี่เอาอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่แต่กรรมซึ่งส่วนใหญ่ก็เจ๊งกันทั้งนั้นถ้าไปหวังหวังแบบนั้นถ้าจะให้ถูกทางก็ต้องขยันขยันเจริญสติขยันนั่งสมาธิแล้วก็จะได้สมาธิมากขึ้นไปเองทำอะไรก็ได้อย่างนั้นถ้าอยากได้สมาธิแต่ไปนั่งดูหนังเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนี้ มันก็ไม่มีวันที่จะได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิก็ต้องนั่งหลับตาพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วสมาธิมันก็จะตามมาแต่มีความอยากได้สมาธิตามไปทำเหตุที่มันไม่ได้ทำให้เกิดสมาธิมันก็จะไม่ได้สมาธิดันั้นเราต้องคอยสังเกตดูเหตุว่าเราสร้างเหตุที่จะให้เกิดสมาธินี้มากน้อยเพียงไร ถ้าสร้างน้อยเราก็ต้องสร้างให้มันมากขึ้นเราก็ต้องตัดเหตุอย่างอื่นเช่นเราชอบดูละครดูภาพยนตร์เราก็ตัดการดูละครดูภาพยนตร์ไปเอาเวลานั้นมานั่งสมาธิมาเดินจม ก, กบแทนอย่างนี้เราก็จะได้ผลของการทําสมาธิได้มากขึ้นวันเวลาที่เรามีเท่ากันทุกคนวันละยี่บสี่ชั่วโมง ทำไมคนหนึ่งเขามีสมาธิได้ได้สมาธิมากก็เพราะเขาเอาเวลาของเขามาันมาเจริญเหตุที่จะทำให้เกิดสมาธิอีกคนหนึ่งได้สมาธิน้อยเพราะเขาเอาเวลาไปทำอย่างอื่นไปดูละครไปกินไปดื่มไปเที่ยวกันแล้วก็ต้องการได้สมาธิมากๆอย่างนี้ย่อมเป็นไปไม่ได้แต่คนที่ขยันเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนคนนี้แหละจะได้ ได้สมาธิมากหมดแใช่ไหมคำถามข้อต่อไปจากคุณกหนกสีครับการภาวนาทำไมจึงสามารถย่นภพย่นชาให้สั้นน้อยลงได้ก็เหมือนกับกองฟืนกองไฟถ้าเราไม่เติมฟืนเข้าไปไฟมันก็จะค่อยคอยหมดไป ถ้าเรายังคอยเติมฟืนเติมไฟเติมฟืนเข้าไปอยู่ในกองไฟอยู่เรื่อยๆไฟมันก็จะไม่ไม่ลดน้อยลงไม่ดับฉันใดการปฏิบัติ ด, ด้วยการลดตันหาระตันหานี้ก็เป็นการตัดภพตัดชาติคือตันหานี้เป็นเหมือนเชื้อของภพชาตินี่เหมือนเป็นเหมือนเชื้อไฟถ้าเราโยนเชื้อไฟเข้าไปในกองไฟไฟมันก็จะลุกต่อไป ความอยากนี้ก็เป็นเหมือนตัวที่จะพาให้เราไปเกิดไปต่อพบต่อชาติถ้าเรายังไม่ลดความอยากเรายังเติมความอยากอยู่เรื่อยๆพบชาติมันก็จะมีอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเริ่มตัดความอยากลงไปลดความอยากให้น้อยลงไปพบชาติมันก็จะน้อยลงไปมันอยู่ตรงที่ความอยากนี้ความอยากนี้เป็นเชือ ที่จะทําให้มีภพภิชาติถ้าอยากจะลดภพชาติก็ต้องลดความอยากลงไปเช่นคนที่ทําทานได้ก็ลดความลดภพชาติลงไปหน่อยรักษาศีลห้าได้ก็ลดไปอีกหน่อยรักษาศีลแปดได้ก็ลดไปอีกหน่อยถ้าเจริญสตินั่งสมาธิได้ก็ลดไปอีกถ้าเจริญปัญญาได้ก็จะลดได้หมดเลย การปฏิวัติทั้งหมดที่ผู้จเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินี้มีเป้าหมายอยู่ที่การลดตันหาความอยากทั้งสามตัวที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการมรตันหาความอยากในการภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภภาวะตันหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ถ้าเรายังมีความอยากทั้งสามอยู่ในใจนี้และทําตามความอยากทั้งสามนี้อยู่ก็เท่ากับการต่อพบต่อชาติให้ยาวออกไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถลดหรือตัดตัณหาทั้งสามนี้ให้น้อยลงไปเราก็จะทําให้พบชาติมีเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆจนหมดไปในที่สุดได้สามารถทําให้มันหมดภายในชาตินี้ได้เลยถ้ามีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางเป็นโอกาส เดี๋ยวนี้เท่านั้นนหละที่จะสามารถปฏิบัติตัดภพตัดชาติให้หมดภายในชาตินี้ได้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้นําทางเป็นผู้สอนถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีโอกาสที่จะสามารถตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้ภายในชาตินี้เพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนั่นเองต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้ทางเป็นผู้บอกทางแล้วก็จะได้ สามารถตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้ภายในชาตินี้ชาตินี้จึงเป็นชาติที่วิเศษที่สุดประเสริฐที่สุดซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นมาได้สักครั้งหนึ่งเพราะว่าพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาบ่อยๆนานๆจะเกิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งท่านบอกว่าเวลาเป็นกับกับนี้มันเป็นเวลาที่ยาวนานมากที่เราไม่สามารถเขียนเขียนด้วยตัวเลขได้ว่ายาวขนาดไหน ต้องใส่ตัวเลขศูนย์เข้าไปเกตเลขศูนย์ด้วยกันอองั้นการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในชาตินี้จึงถือว่าเป็นเหมือนกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่ใช่เป็นของง่ายที่จะถูกได้และถูกได้ด้วยกันทุกคนด้วยไม่ใช่ถูกได้เพียงคนเดียวลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งส่วนใหญ่จะถูกกันเพียงคนสองคนนั่นนั้นแต่นี่ลอตเตอรี่ทางพระพุทธศาสนานี่ถูกกันได้ทั้ง ทุกคนเลยใครก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามก็จะได้รับรางวัลคือการตัดทบตัดชาติให้หมดไปได้ภายในชาตินี้เลยงนั้นพวกเราอย่าเสียเวลากับเรื่องราวต่างๆตอนนี้ทิ้งไปก่อนเอาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนแตเพราะว่าเราทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องนี้แล้วถ้าเรายังไม่ไม่สําเร็จ เราก็กลับมาเกิดใหม่แล้วมายุ่งกับเรื่องอื่นต่อไปก็ได้เช่นกลับมาเกิดชาติใหม่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยากจะยุ่งกับเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปก็ทําได้แต่ถ้าอยากจะการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องทําในชาตินี้เท่านั้นเพราะจะสามารถทําให้มันสําเร็จได้ภายในชาตินี้เลย ถ้าเราไม่ทําตอนนี้กลับมาเกิดคราวหน้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถที่จะทําให้มันเสร็จได้ภายในชาตินี้ก็ต้องทําไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆอีกไม่รู้ยาวนานเท่าไหร่จนกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเองหรือจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาเองเท่านั้นจึงจะสามารถตัดภพตัดชาติให้หมดไปจากใจได้เราจึงยาวเราจึงไม่ควรปล่อยโอกาสอันเลิศอันวิเศษนี้ ให้หลุดจากมือเราไปรีบตักตัวงเสียด้วยการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติมรรคแปดให้เต็มที่ตั้งแต่บัด น, นี้ไปแล้วถ้าหากพบชาติไหนที่เรามาเกิดไม่ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยครับอาจารย์ดวงจิตเราจะเป็นอย่างไรแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับอาจารย์ ก็อาศัยบุญถ้าเรามีบุญเก่าบุญเก่าก็จะพาให้เราทำบุญทําทานรักษาศีลและนั่งสมาธิก็จะได้เพียงเท่านี้แต่จะไม่สามารถขึ้นไปถึงขั้นปัญญาได้เพราะขั้นปัญญานี้จะต้องเกิดจากคำสอนของพ่พระพุทธเจ้าเท่านั้นยกเว้นว่าเราได้สร้างปัญญาในพบนี้ชาตินี้เช่นเราได้บรรลุเป็นพระสุวราบันแล้วนี้ทีนี้ถ้าเรายังกลับมาเกิด เราก็ไม่ต้องอาศัยพระพุทธศาสนาก็ได้เพราะเราได้มีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจของเราแล้วเรามีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าอยู่ภายในใจของเราแล้วเราก็สามารถดําเนินการปฏิบัติตัดภพตัดชาติต่อไปได้อย่างพระโสดาบันนี้ท่านก็สแสดงไว้ว่าไม่เกินเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็สามารถที่จะตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้แต่ต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นไป แต่ถ้าเป็นเพียงขั้นฌานสมาบัติเช่นผ้าจา์ของพระพุทธเจ้าสองลูกที่ได้รูปฌปานกับอรูปฌปานแล้วก็ตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้อริยสัจสีพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าน่าเสียดายเพราะเขาไม่มีโอกาสที่จะได้ได้ยินได้ฟังเรื่องของปัญญาที่จะทำให้เขาได้หลุดพ้นจากพพหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด หลังจากที่เขาตายไปเขาก็จะไปเกิดเป็นพรหมแล้วเมื่อบทบุญของพรหมเขาก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นเทพจากเทพเขาก็จะเลื่อนลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เพราะเขากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เขาก็จะกลับมาทําบุญทํำทานรักษาศีลนั่งสมาธิใหม่เพราะมันเป็นบุญเก่าที่เขาเคยทําไว้จะคอยผลักดันให้เขากลับมาสร้างบุญอย่างนี้ใหม่เขาเคยทําอะไรพอเขากลับมาเขาก็จะ กลับมาทําอย่างนั้นต่อแต่เขาก็จะขึ้นไปได้ถึงแค่เพียงขั้นสวรรค์ชั้นพรหมเท่านั้นจนกว่าเขาจะได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเขาถึงจะสามารถก้าวขึ้นสู่ขั้นปัญญาขั้นอริยภูมิได้คือขั้นโสดาบันขั้นพระอรหันต์ได้พระเจ้าถึงตัดว่าหน้าเสียดายมากถ้าอยู่ได้ไม่กี่เดือนพอได้ยินได้ฟังธรำเพียงครั้งสองครั้งก็จะสามารถ ตัดภพตัดชาติได้หมดเลยอย่างพระปัญจวัคคีระษาวค่ารูปที่ติดสอยห้อยตามรับใช้พระพุทธเจ้าก็ได้รับประโยชน์เพราะยังไม่ตายพอพระเจ้าตัดสรู้แล้วก็เลยมุ่งไปที่พระปัญจวัคคีเป็นกลุ่มแรกในการสั่งสอนพระธรรมคําสอนพอพอได้ยินได้ฟังหนึ่งในพระปัญจวัคคีคือพระอัญญาณกนทัญญะก็บรรลุกธรรมขึ้นมามีดดวงตาเห็นธรรม บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นอริยบุคคลขั้นแรกแล้วพอแสดงธรรมอีกครั้งสองครั้งพระปัญญวคีทั้งห้าก็บรรลุปเป็นพระอาหารหันต์กันหมดนี่คือดประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการได้เจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนแล้วไม่มีวันที่จะเข้าสู่ขั้นอริยมรรคอริยผลได้ จะได้แค่อย่างมากก็ขั้นโลกีะผลก็คือขั้นฌานสมาบัติขั้นสมาธิเท่านั้นเป็นขั้นสูงสุดแล้วก็ต้องกลับเสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาสร้างบุญสร้างสมาธิใหม่ก็จะทำได้เพียงแค่นี้เท่านั้นจนกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาหรือจนกว่าผู้ปฏิบัติเองเกิดมีปัญญาขึ้นมาเองอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีใครสอนพระพุทธเจ้าเลยต้องใช้ปัญญาของพระเอง ศึกษาคน้นคอหาความจริงด้วยพระ อ, องค์เองจนได้ตัดสั้นเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาค้นพบต้นเหตุของภพชาติก็คือความอยากต่างๆแล้วก็สามารถกําจัดต้นเหตุของภพชาติคือความอยากต่างๆนี้ให้หมดไปจากใจได้พระ อ, องค์ยังได้ดลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยพระ อ, องค์เองเป็นคนเดียวในในโลกนี้เท่านั้นที่จะสามารถทําอย่างนี้ได้ นอกนั้นแล้วไม่มีใครที่จะสามารถที่จะตัดสร่วลูความจริงอันนี้ได้ด้วยตนเองจะต้องอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนพระสาวกทั้งหลายจึงเรียกมีชื่อว่าอาหารตัดสาวกสาวกแปลว่าผู้ฝังนั่นเองพระอาหารที่เกิดจากการได้ยินได้ฝังส่วนพระอารหารตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระอาหารที่เกิดจากการตัดสรู้ได้ด้วยตนเองด้วยการศึกษาสอนตนเอง แต่เป็นพระอาหารหันต์เหมือนกันก็คือจิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นพระนิพพานเหมือนกันปราศจากความโลภความโกรธความหลงเหมือนกันต่างตรงที่ว่ า, าที่มาที่ไปพระพุทธเจ้ า, าตรัสรู้หรือชำระใจโดยสะอาดบริสุทธิ์ด้วยตนเองไม่มีใครสอนแต่พระอาหารหันต์นี้ต้องให้พระพุทธเจ้าสอนถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ดังนั้น อยากจะเน้นเรื่องของความสําคัญของการได้มาเกิดในภพนี้ชาตินี้เพราะว่าเป็นภพที่เรามีพระพุทธศาสนานี้เองเรามีโอกาสทุกคนที่จะสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในชาตินี้และเป็นชาติเดียวเท่านั้นหลังจากนี้ไปแล้วกลับมาเกิดถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนานอีกก็จะไม่มีวันที่จะสามารถที่จะตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้ภายในชาติเดียว ก็ต้องสะสมบุญบารามีอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สรงสะสมบุญบารามีมาไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขั้นที่มันออกดอกออกผลอย่างเต็มที่ก็จะได้ตัดสรูเป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากซึ่งไม่ใช่ทุกๆคนที่บำเพ็ญบุญบารามีด้วยกันมาจะสามารถบรรลุได้ด้วยกันทุกคน เป็นกรณีพิเศษจริงๆการที่ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่แต่การที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะทําให้ทุกคนนี้ที่ไม่มีบุญบา ร, รมีมากสามารถตัดภพตัดชาติได้ให้หมดไปได้ภายในชาตินี้เลยดังนั้นพวกเราอย่าปล่อยโอกาสอันนี้อันวิเศษนี้ให้หลุดมือไปพยายามทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จเวลาเวลาให้กับการปฏิบัติธรรม ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เถิดแล้วผลอันเลิศอันประเสริฐก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนคำถามหมดหรือยังหมดแล้วครับอาจารย์อาจารย์ครับจากที่เคยพูดคุยหรือว่ารู้มาเนี่ยผู้ที่ป่วยหนักหรือป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยโดยเฉพาะโรคมะเร็งเนี่ยเมื่อใช้การเจริญภาวนา เดี๋ยการนั่งสมาธิเนี่ยสามารถหายจากอาการป่วยได้อย่างน่าอัศจรรย์ไม่ต้องว่าเป็นพ่ออะไรครับถึงแม้จะไม่ใช่ทุกรายครับะอาจารย์ก็เป็นเพราะว่าโลกเขากําลังจะหาให้พอดีเมื่อพอดีทําจิตให้สงบไม่ไปรบกวนไม่ไปสร้างความปั่นป่วนให้กับระบบการทํางานของร่างกายมันก็ทําให้ร่างกายฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วก็มีกรณีหนึ่ง มีพระที่เป็นลูกศิษย์หลวงตาท่านก็เป็นโรคมะเร็งในตับแล้วท่านก็ไปที่โรงพยาบาลหมอเขาก็พาออกมาดูเขาก็บอกว่ามันเป็นขั้นสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ไปทําอะไรเขาบอกว่ากลับไปภาวนาที่วัดดีกว่าไปทําใจให้สงบเตรียมตัวตายท่านก็เลยกลับไปอยู่ที่วัดป่าบรนตาแล้วก็อาศัยยาสมุนไพรแล้วก็อาศัยการภาวนาไป แา้วกด้วยความมหัศจรรย์รู้สึกสองสามปีต่อมาท่านก็หายโรคมะเร็งนั่นก็หายไปแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือธรรมก็หายไปด้วยเพราะว่าท่านก็ไม่นานก็ลาสิกขาไปเพราะช่วงที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็อาจจะไม่ได้ภาวนาถึงขั้นปัญญาท่านอาจจะอยู่เพียงแต่ขั้นสมาธิประครับประคองจิตใจไป แล้วพอพอหายก็เลยตันหาที่มันถูกกดดัก็ที่มันตกตะกอนอยู่มันก็เฟื่องขึ้นมาว่าถ้าเราไม่รีบออกไปหาความสุขเดี๋ยวเราตายจะไม่ได้หาความสุขท่านก็เลยลาสิกขาไป เ, าเสียดายท่านก็บรรสามากบรรสามากกับเราตอนนั้นรูร้สึกสิทธิ์บรรษามั้ง <c oughs> ั้นอย่าไป อย่าไปคิดว่าการภาวนานี้เป็นการรักษาโรคภายค่าเจ็บของทางร่างกายได้ทุกโรคเนะี่ยมันบางบางโรคนี้มันมีความปั่นปวนความฟุ้งซ่านของจิตเป็นเหตุอันนี้ถ้าทำจิตให้สงบโรคนี้ที่มันเกิดขึ้นจากความฟุ้งซ่านความเครียดของจิตมันก็หายได้ฉนันมีกรณีหนึ่งที่เคยอ่านหนังสือชาวบ้านมีหมอเขาเล่าให้ฟังว่ามีพระรูปหนึ่งมาหาหมออยู่เรื่อย มาทุกครั้งก็บอกว่าปวดตรงนั้นปวดตรงนี้เจ็บตรงนั้นหมอกอ็ตรวจดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแล้วอยู่ว่าวันหนึ่งภาพ ร, รูปนั้นก็มาบอกว่าตอนนี้หายแล้วเพราะว่าท่านลาสิกขาไปแล้วว่าพอลาสิกขาความเครียดต่างๆก็หมดไปความเครียดมันเกิดจากความอยากจะทำนู่นทำนี่แล้วไม่ได้ทำมันก็เครียด พอเครียดเหมือนก็เลยกระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายปวดหัวบ้างปวดท้องบ้างปวดตามกล้ามเนื้อบ้างอะไรต่างๆแบบนี้หมอก็วิเคราะห์ดูก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพอท่านลาสิกขาไปแล้วกลับไปเล่าให้หมอฟังหมอตอนนี้ผมไม่ได้เป็นพาร์แล้วเมื่อก่อนผมเป็นพาร์ผมเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ตอนนี้ไม่รู้มันเป็นยังไงมันหายไปหมดแล้ว เาไม่เชื่อลองดูพอจะให้นั่งสมาธินี่มันมีอาการต่างๆขึ้นมาล่ะบางคนก็ปวดศีรษะบางคนปวดเมื่อยดังนั้นนั่งห้านาทีก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ล่ะแต่นั่งนั่งดูหนังชั่วโมงสองชั่วโมงไม่รู้สึกเจ็บเลยนี่แหละคือเรื่องโรคที่เป็นโรคความเครียดทางใจแล้วก็ไปกระทบกระเทือนกับทางร่างกายอย่างหลวงปู่มั่นก็มีในประวัติที่หลวงตาเขียนไว้ หลวงปู่มันท่านก็เป็นโรคปวดท้องอยู่เรื่อยๆช่วงนั้นท่านก็คงจะไม่ได้ภาวนาอย่างเต็มที่อย่างต่อเ น, นื่องพอท่านก็หายากินต้มยากินอยู่เรื่อยกินเลยมันก็ไม่หายสักทีจนในที่สุดท่านก็เลยตงว่าไม่เอาละหอยู่ยาจะเอาธรรมโอสถท่านเลยตัดสินใจนั่งสมาธิแล้วก็พิจารณาแยกยะทุกขเวทนาทางกายออกไปจากใจ ดับทุกขเวทนาทางร่าทางใจคือความอยากให้โรคภยัยไา้เจ็บทางร่างกายหายไปพอจิตสงบแล้วพอออกมาจากความสงบออกจากสมาธิมาโรคปวดท้องนั่นก็หายไปเลยหายไปปิดทิ้งเลยังนั้นบางทีโรคนี้มันเป็นผลที่เกิดจากความเครียดของใจความอยากของใจทำให้ไปกระทบกระเทือนกับความรู้สึกทางร่างกาย พอใจสงบแล้วอผลที่ไปกระทบกับร่างกายก็หายไปหรือแ ม, ม้แต่เวาลานั่งสมาธิเนี่ยแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ถ้าเราบริกรรมพุโทโธให้ถี่เย็บอย่าไปคิดถึงมันพอจิตสงบปับ๊บความเจ็บทางร่างกายก็หายไปเลยเแต่นั่งสมาธิบางวันนี่ถ้าจิตสงบนี่เวลาออกมานี่รู้สึกไม่รู้สึกเจ็บปวดตรงไหนเลย แต่ถ้านั่งแล้วไม่สงบนี่เวลาออกมารู้สึกมันปวดเมื่อยไปหมดเนี่ยมันมีผลกระทบต่อกันอย่างนี้แต่โรคบางโรคมันไม่เกี่ยวกับทางจิตก็ต้องรักษาไปตามโรคถ้ามีเชื้อติดเชื้อมาก็ต้องกินยาฆ่าเชื้อมันถึงจะหายไม่ใช่ว่าเป็นโครคภัยไข้เจ็บก็เอาธรรมโอสดีอย่างเดียวธรรมโอสถก็รักษาโดยหลักก็คือรักษาใจได้รักษาใจไม่ให้ทุกข์ได้ รักษาให้ร่างกายหายไม่หายนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายแต่ถ้ารักษาใจได้แล้วก็สบายร่างกายจะหายไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าหายคราวนี้มันก็จะเป็นคราวหน้าใหม่อยู่ดีและในที่สุดมันก็ต้องไปเจอตอนที่รักษาไงก็ไม่หายอยู่ดีแต่ถ้าใจไม่ทุกข์แล้วก็ไม่เดือดร้อน นั้นขาให้เรารักษาใจให้ได้จะดีกว่ารักษาร่างกายไปตามมีตามเกิดตามอัตภาพตามอยู่ตามยาตามความสามารถของหมอถ้าหายก็ดีไปหายก็เพื่อที่จะได้เป็นอีกข้าวต่อไป <c oughs> <c oughs> คิดอย่างนี้แล้วเราจะสบายใจแล้วเราก็จะมารักษาทาใจทำใจให้สงบทำใจให้ปล่อยวางแล้วเราก็จะไม่ทุกข์มันจะป่วยกี่ครั้งก็จะไม่เดือดร้อน ก็จะรับมันได้เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายได้นำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปเจริญไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิด